วิปัศนาญาณ น, นี่เป็นจุดหมายอันสำคัญที่จะต้องปฏิบัติให้ได้ให้ถึงน้อยหรือมากพระพุทธเจ้าก็ได้ สมจําแนกแจกธรรมคือทรงแสดงทางปฏิบัติเพื่อที่จะให้ได้วิปัจจนาญาณดังกล่าวนี้ดังที่ได้แสดงอธิบายมาโดยลำดับ โดยอ้างเอาพระพุทธภาสิตที่ตรัสไว้ถึงไม่พวงคิดถึงธรรมะที่เป็นอดีตไม่หวังถึงธรรมะที่เป็นอนาคต เห็นแจ้งปัจจุบันธรรมในที่นั้ น, น, นในการนั้นๆในอารมณ์นั้นๆเป็นการปฏิบัติ หักติเลสดับกิเลสหักใจหรือดับใจดับตัวเราดับนามรูปที่เป็นส่วนอดีต ที่เป็นส่วนอนาคตเห็นปัจจุบั น, นธรรมเป็นอนิจจะไม่เที่ยงทุกขะเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนก็เป็นการดับอิเลสดับใจ ในปัจจุบันธรรมพระพุทธภาษิตที่อ้างและอธิบายมาโดยสังเขปโดยยกเอาเรื่องดับกิเลสดับใจ เข้ามารวมอยู่ก็โดยที่ได้ยกเอาจากพระพุท ธ, ธรัญญัตปัญหาของอคิตรมานพที่ตรัสสอนโดยความที่ว่า ดับวิญญาณที่ใช้เรียกในภาษาไทยไง่ายๆว่าดับใจได้ก็ดับนามารูปได้ทั้งดับสติปัญญาที่ปฏิบัติเพื่อดับใจนั้นได้ด้วยในข้อนั้นข้อนั้นในเรื่องนั้นเรื่องนั้น ในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นดังที่กล่าวมาแล้วซึ่งเป็นแนวปฏิบัติอันเดียวกันและเรื่องไม่นวงถึงอดีตไม่หวังถึงอนาคตนั้นก็เป็นพระพุทธภาสิทธิที่ตัแสดงไว้ เรียกว่าพัะเทกระดัสประสูติประสูติที่ว่าด้วยมีราตรีเดียวอันเจริญประสูตินี้ เป็นคาถาพุทธภาษิตไม่ยาวนักและถือว่าเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจำแนกแจกแจงแสดงไว้เพราะฉะนั้นจึงจะยกเอาพระคาถานี้มาแปลให้ฟัง ว่าราจะพทธเจตรัดไว้จ ร, จริงๆนั้นอันเป็นที่นับถือว่าเป็นพุทธภาษิตว่าอย่างไรได้ตรัสไว้ก็ว่าอาติตังนานวากมยะไม่พึง พวงถึงน่วงเหนียวใจถึงธรรมะหรือส่วนที่เป็นอดีตคือล่วงไว้แล้วคือล่วงไปแล้วนับปฏิกังเขอนนากะตัง ไม่หวังถึงธรรมะหรือส่วนที่เป็นอนาคตยังไม่มาถึงยดะตีตำไปหีนันตังส่วนที่เป็นอดีตก็ล่วงไปแล้ว ปัจัจะอนาคตกัตังส่วนที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงปัจจุปันนันจะโยธรรมังส่วนปัจจุบั น, นธรรมคือธรรมะหรือส่วนที่เป็นปัจจุบันตถาตถาวิปัสสติ เห็นแจ้งในที่นั้นๆในการนั้นๆในอารมณ์นั้นๆอสร้างหิรังอสร้างกุปังไม่งอนเงันไม่คลอนแคลนตังวิทามตุบรูไะเย พึงเจาะแทงปัจจุบันกา ร, รมนั้นพ่อคูนความเจาะแทง น, นั่น อจเยวะกิจจะมาตะปังความเพียรพึงเร่งรีบกระทาในวันนี้ทีเดียวโกยัญญามะดั น, นังสเวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมาต่อ ว, วันพรุ่งนี้นะฮินโนสังกันเตนะ มหาเซเ น, นมัจจุนาความผัดเพี้ยนด้วยความตายอันมีเสน่ห์ใหญ่มิใดเลยอัจเยวะกิจจมาตาปังโกยัญยามารณะโสเวนะฮิโนสังกาดันเตนะมหาเซเนนมัจจุนาเอวังวิหาเรมาตาเปงภูที่ มีความเพียรไม่ย่ อ, อยอนอยู่อย่างนี้โหดตะมัตติิตังทั้งกลางวันและกลางคืนตังเวพัดเดกดัดตโตติตังเวพัดเดกดัดตโตติสัตโตจิกะเตมุนีพระมุนี เรียกภูที่มีความเพียรไม่ย่อย่อนนั้นว่าเป็นภูสงบเป็นภูที่มีราตรีเดียวเจริญดังนี้ นี่เป็นพระพุทธภาสิทธิ์ที่เป็นคาถาซึ่งบรรจุถ้อยคำไม่มากแต่ว่าแสดงแนวปฏิบัติเป็นอย่างดียิ่งและเพราะเหตุที่แนวปฏิบัติที่แสดงไว้ใน พระพุทธภาสิทนี้เมื่อปฏิบัติไปตามนี้แล้วก็จะเป็นผูที่มีความเจริญใจตลอดราตรี ซึ่งมีความหมายความซึ่งมีความหมายว่าตลอดทั้งกลางวันกลางคืนนั่นแหละเพราะว่าจิตใจนี้เมื่อไม่ได้อบรมตามพระพุทธภาษิตนี้ย่อมเป็นจิตใจ ประกอบไปด้วยอคุสโุบิตกต่างๆนวงเนียวถึงอดีตบ้างหวังถึงอนาคตบ้างงอนเงินค้อนแคลนยินดียินร้ายอยู่ในปัจจุบั น, นธรรมบ้าง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นจิตใจที่กระปรกระสายวุ่นวายไม่สงบมีทุกข์อยู่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแต่ถ้าปฏิบัติตามพระพุทธภาษิตนี้ หรือหักกิเลสดับหรือหักใจในส่วนที่เป็นอดีตในส่วนที่เป็นอนาคตและในส่วนที่เป็นปัจจุบันได้ก็จะเป็นภูที่มีจิตใจสงบ มีจิตใจมีความสุขตลอดวันตลอดคืนยกออกกลางคืนขึ้นเป็นที่ตั้งก็แปลว่าทั้งคืนก็จะมีจิตใจที่สงบมีสุขอยู่ตลอดทั้งปฐมยามมัชิมยาม ปัิมยามแปลว่าตลอดราตรีจิตใจเป็นจิตใจที่เจริญด้วยความสุขอันเกิดจากความสงบเป็นอันเดียวกันหมดดฉะนั้นจึงเรียกว่าพัฒเฮกัลตัสูตร เป็นประสูติตรสอนทางปฏิบัติที่จะให้มีความสุขอันเกิดจากความสงอบอยู่ตลอดคืนตลอดวันหรือยกเอาราตรีขึ้นมาก็ตลอดราตรีพระพุทธเจ้าเองก็ได้ทรงตัดแสดงอธิบายพระอานต์ก็ได้ แสดงอธิบายตามที่ได้ยกมาแสดงอธิบายไว้ในครั้งก่อนๆ น, นั้นแล้วและท่านพระมหากัจจายณะก็ได้แสดงอธิบายซึ่งท่านเน้นอยู่ที่ วิญญาณคือใจซึ่งมีปฏิพัทธ์คือความผูกพันโดยอำนาจของฉันทราคะความพอใจยินดีติดอยู่หากว่ามีปฏิพัทธ์ คือใจมีปฏิพัต์อยู่ในตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นเล่นกับรสกายและผลตพระคือสิ่งที่ถูกต้องมโนคือใจและธรรมะคือเรื่องราวอันเป็นส่วนอนดนิคือล่วงไปแล้ว ก็ย่อมจะมีความอภินันยินดีเพลิดเพลินอยู่ในส่วนที่เป็นอดีตนั้นหากมีปฏิพัติ์อยู่ในตากับรูปเป็นต้นอันเป็นส่วนอนาคตโดยหวังที่จะได้ในส่วนที่ยังไม่ได้ ก็ย่อมจะมีอภินันเพลิดเพลินไปในส่วนที่เป็นอดีตนั้นในส่วนที่เป็นอนาคตนั้นในปัจจุบันก็คือตากับรูปเป็นต้นที่เป็นปัจจุบันหากว่าจิตมีปฏิพัทธ์ก็ย่อมจะมีอภิ น, นันยินดีเพลิดเพลินอยู่ในส่วนที่เป็นปัจจุบันนั้น เมื่อเป็นดังนี้ก็ยังงอนเงินคอนแคลเพราะฉะนั้นก็ต้องดับใจที่เป็นปฏิพัฒน์นั้นในส่วนที่เป็นอดีตในส่วนที่เป็นอนาคตและแม้ส่วนที่เป็นปัจจุบันจะปฏิบัติ ด, ดังนี้ได้ก็จะต้อง ทำสติคือความกำหนดปัญญาคือความรู้ให้รู้จักผดิตว่าล่วงไปแล้วให้รู้จักอนาคตว่ายังไม่มาถึงและให้รู้จักปัจจุบันว่าเป็นอนิจจะไม่เที่ยงทุกขะเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนโดยเจาะแทงตัวเราลงไป ให้เห็นนามารูปให้เห็นขันให้เห็นอาจตนะว่าเป็นสักแต่ว่านามารูปสักแต่ว่าเป็นขันเป็นอาจตนะเป็นสิ่งที่เป็นอนิจจไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเมื่อเป็นดังนี้วิปัสสนาญาณจึงจะปรากฏ เป็นความอย่างรู้ถึงไตร ล, ลักษณ์เป็นความเห็นแจ้งในไตร ล, ลักษณ์เมื่อวิปัสนาญาณปรากฏขึ้นใจอันประกอบด้วยปฏิพัทธ์ก็ดับตัวปฏิพัทธ์ก็ดับตัวเราและนามารูปในเรื่องนั้นก็ดับ ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยปัญญาพร้อมทั้งสติคือสติปัญญาที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อที่จะให้ได้วิปัสสนาญาณอันเป็นความเห็นแจ้ง และเมื่อได้วิปัสสนาญาณขึ้นมากิเลสก็ดับใจนั่นก็ดับนามรูปนั่นก็ดับก็จะได้วิชาวิมุตติอันเป็นความรูพ้พ้นและจะได้ปัญญาที่เป็นวิชาวิมุตติ สืบต่อไปเพราะฉะนั้นปัญญานั้นจึงมีปัญญาหน้าปัญญาหลังมีปัญญาที่สืบต่อไปปัญญาหน้านั่นก็คือปัญญาเพื่อที่จะได้ตัววิปัสสนาญาณเพื่อที่จะดับเพื่อที่จะหักดังกล่าวและเมื่อหักดับได้แล้ว ก็ได้ปัญญาที่เป็นตัววิชาวิมุตตรู้พ้นและเมื่อได้ปัญญาที่เป็นตัวมุรู้พ้นก็ได้ปัญญาที่เป็นตัวรู้สืบต่อไปเมื่อว่าอย่างสูงปัญญาหน้านั้นก็เป็นปัญญาที่เป็นมักปัญญาหลังก็เป็นปัญญาที่เป็นผล ปัญญาที่สืบต่อไปก็เป็นนิพพานเปรียบเหมือนอย่างว่าการเรียนหนังสือเพื่ออ่านหนังสือออกนั่นเป็นปัญญาหน้าเมื่ออ่านเมื่ออ่านหนังสือออกอ่านหนังสือได้ก็เป็นปัญญาหลังและเมื่อได้ปัญญาหลังคืออ่านหนังสือออกก็อ่านได้ตลอดไปนั่นเป็นปัญญาที่เป็นนิพพาน ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวนและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆุ ท, กท่าน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 ผูกระทาให้มากซึ่งธรรมะทั้งหลายนำพระบรมศาสดาได้ทรง ได้พระนามพภักวาในความหมายดังกล่าวคือเป็นผู้ครบก็คือดังที่เรียกว่าครบหาสมาคม กับธรรมะคูเสพก็คือคูที่ซ่องเสพก็ความหมายว่าครบหานั่นแหละซึ่งธรรมะทั้งหลาย กระทำให้มากก็คือกระทาการคบหาทรงเสพธรรมะทั้งหลายอันหมายถึงกุศลละธรรมทั้งปวงทรง หาส่องเสพกุศลธรรมทั้งปวงอยู่เป็นวิหารธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นส่วนทิพยพยาวีหาร วิหารธรรมที่เป็นทิพย์พรหมวิหารวิหารธรรมที่เป็นพรหมอริยวิหารวิหารธรรมที่เป็นอริยะคือประเสริฐเจริญทรง ส่องเสพกายวิเวกความสงัดกายจิตวิเวกความสงัดจิตใจอุปเทควิเวกความสงัดกิเลสทรงส่องเสพ วิโมกความหลุดพ้นอันเป็นสุญญะวิโมกความหลุดพ้นด้วยการพิจรารณา ว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนว่างจากอัตตาตัวตนอ น, นิมิตวิเวก ค, ความหลุดพ้นโดยพิจารณาอ น, นิจจคือไม่เที่ยง ยังไม่มีความเที่ยงไม่มีสิ่งเที่ยงเป็นนิมิตหมายในสังขารทั้งหลายทรงคบหาส่องเสพอปปนิหิตะวิโมก ค, ความหลุดพ้นโดยพิจรารณาว่าเป็นทุกข ตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเ ป, ปลี่ยนแปลงไปแห่งสังขารทั้งหลายจึงไม่มีสุขเป็นที่ตั้งอยู่ในสังขารทั้งหลาย ทรงรู้แจ่มแจ้งในความว่าง